เราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ในเมืองไทยได้นานสักแค่ไหนนะตัววันนี้วิกฤตมากมากเลยพุทธบริษัทสี่พิษุพิสุนีอุบาโสบาสิกาพิสุนีหมดไปนานแล้วนะทำงานมันก็เกิดไม่ได้แล้วต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่พิษุก็รอได้เต็มทีในเมืองไทยเนี่ยมีพระเหลือรอเราสักสองแสนเชนะ ในจำนวนสองแสสนส่วนหนึ่งท่านบวชตามประเพณีบวชไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ศึกษาปฏิบัติอะไรที่จะรักษาคุ้มครองสืบท อ, อดาศาสนาได้แต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยให้คนเห็นผ้าเหลืองไว้งินกำลังสำคัญมันมาอยู่ที่อุปสุบาศิกานี่พวกเราปุปสมบาศิกามีทั้งหลายสิบล้าน แต่มาถึงวันนี้คนที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆนนับตัวไดนะ้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราไม่สนใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางทีเราก็เชื่อตามๆกันนะคิดเอาเองว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ที่ก็ฟังพระองค์นั้นว่าอย่างนี้นะนักปราชญ์คนนี้ว่าอย่างนี้เชื่อเชื่อตามกันไป ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมแท้ๆเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาแล้วก็ไม่ได้ลงมือทดสอบว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นมันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่ชวนให้เชื่อเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์ท่านบอกว่า e เอฮิปัสโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ใช่บอกให้เชื่อนะแต่ท้าให้ลอง วิธีลองก็คือลองปฏิบัติดูว่าถ้าทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนได้ขนาดไหนนะมันเคยชั่วมันก็ต้องหายชั่วไปบ้างแล้วนะความดีเคยขาดแคลนก็นต้องเพิ่มขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสามารถเปลี่ยนใจผู้ปฏิบัติได้ในเวลาสั้นไม่ยาวต้องเปลี่ยนในเวลาสั้นไม่ใช่ว่า ชาตินี้ภาวนานะอีกหลายๆชาติถึงจะดีให้อย่าท่านต่ำต้อยเกินไปสมัยพุทธ ก, กาลเองนะขนาพวกเดร์ถีพวกศาสนาอื่นเนี่ยบางคนอยากจะมาโตวาทีกับพระพุทธเจ้าคนตัวเก่งๆเจ๋งๆของแต่ละสำนักเนี่ยที่อยากจะท้าทายนะพวกอาจารย์เจ้าสำนักต่างๆเนี่ยถึงก็เตือนกันบอกอย่ามาคุยกับพระสมณะโคดมนะอย่ามาคุยกับพระพุทธเจ้า เพราะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจใจจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ติงอาจารย์เลยไม่ไม่เชื่อละทีเดียวละทีต่อไปแล้วงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเราได้ในเวลาสั้นไม่ใช่ยาวนะเราได้พัฒนาตัวเองแล้วเรารู้ด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปแล้วการที่จะเปลี่ยนตัวเองก็ต้องมาเรียนรู้ตัวเองส ก, ก่อน สิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรสิ่งที่เรกว่าตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี้แหละเราไม่ได้มีแต่ร่างกายแต่เรามีความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจด้วยมีกายกับใจก็มีรูปธรรมมีนมามธรรมมาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราถ้าเราสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้อย่างตรองแท้เราจะพบว่าใจเราจะเปลี่ยน อย่างใจแต่เดิมเนี่ยเรามีความหลงผิดอย่างแน่นแฟนว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเรามีอยู่จริงๆนะพวกที่คิดว่าเรามีอยู่จริงๆเนี่ยยังแยกได้อีกสองกลุ่มใหญ่ๆพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายนี้ตายเรานี่ก็สูญไปเลยตอนเป็นๆเนี่ยมีเรานะแต่พอตายแล้วหายไปหมดเลยอีกพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายนี้ตายนะจิตไม่ตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ สองกลุ่มเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่นะในพวกเราที่บอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราชอบเชื่อว่าพอตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราจะออกจากร่างไปเกิดใหม่นั่นเป็นลทัทธิเดรลัทธินะไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่จะสอนสิ่งที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะมีเหตุมันก็เกิดนะหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเนี่ยเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่งกันอย่างรวดเร็วดวงจิตเนี่ยไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่งนีมันเกิดดับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งผู้มีสติปัญญาไม่พอเนี่ยเห็นว่าจิตนี่เที่ยงนะเพราะว่าดูกี่ปีกี่ปีก็รู้สึกว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งอยู่ในนีนะ้เราตอนเด็กๆด็กเราเจนนี้ก็คนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้ดนะงนั้นไม่สามารถล้างความเป็นวิชาทิฏฐิได้ ไม่สามารถเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้สิ่งที่พวกที่จะสอนและทำให้เราสามารถเรียนรู้ความจริงเจนเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงได้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่เรียนวิปัสสนากรรมฐานนะเราแค่ทําทานรักษาศีนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ฟ้องนะยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะการทําทานนะศา ส, สนาอื่นเขาก็ทําทานนะ หลวงพ่อเคยเลี้ยงหมานะหมามีหมาตัวหนึ่งเลี้ยงไว้นะมันใจดีลูกหมาอื่นมาเนี่ยมันให้กินนมนะแล้วแมวบ้านอื่นมาเนี่ยมันกําลังกินข้าวอยู่มันให้กินนะ่ะก็เหลือแล้วมันถึงจะกินเองนี่ขนาดหมานะั้นยังรู้จักให้ทานเลยนะั่นเราบอกเรารู้จักให้ทานเราเป็นชาวพุทธย่างด้นะหมาก็ทําได้นะรักษาศีลนะ รักาศีลศาสนาเดี๋ยวเาก็รักษาได้ศนะีลมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเสีอีกการนั่งสมาธนะิตอนที่เจ้าชายเศรษฐาออกจากวังมาจะมาหาทางปัญโทก็ไปหัดนั่งสมาธิกระลือศีสมาธิมันก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเองนะสิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นนะไม่เหมือนคําสอนของคนอื่นนะคือวิปัสสนากรรมฐานนี่เองวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าแยกศัพท์คําว่าวิ คำว่าปัสนะปัศณะคำว่าการเห็นตัวณแปลว่าการปัศปัศนะการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นรูปนามกายใจนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเรายืมธาตุของโลกมาใช้ เบต้นเรายืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์นะเกิดปฏิสนที่ขึ้นมาอาศัยอาหารอาศัยน้ําอาศัยอากาศรอเลี้ยงขึ้นมาตัวโตขึ้นมาแต่สุดท้ายก็คืนนะคืนธาตุนี้ให้กับโลกเอาไปไหนไม่ได้หรอกมันก็ติดอยู่กับโลกนี่เองงั้งร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่เรายืมสมบัติของโลกมาใช้นะถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนไปจิตใจอะจิตใจเป็นของไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงโลบกรธลงก็ไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าของที่เคยมีแล้วมันหายไปมันไม่มีเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าบ่ายโมงไม่เที่ยงนะสิบเอโมงไม่เที่ยงไม่ใช่นะเที่ยงหมายถึงเที่ยงแท้เทียงไม่แปรปรวนอะไรที่แปรปรวนได้เรียกว่าไม่เที่ยงเนี่ยจิตใจเราเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแต่เราอยากให้เที่ยงเวลามีความสุขอยากให้ความสุขอยู่นานๆไหม เราอยากให้ความสุขอยู่นานๆเพราะความสุขหายไปดีใจหรือเสียใจล่ะแล้วก็เสียใจความสุขหายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายเร็วๆแล้วมันหายไหมไม่ไม่หายอย่างที่ใจอยากเ น, นี่ยมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับในความจริงความจริงของร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นก้อนทุกข์ในความเป็นจริงแล้วร่างกายเนี่ยนะ เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นตัวทุกข์ร่างกายเนี่ยยืนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะมันทุกข์ตลอดวันตลอดคืนกระทั่งนอนหลับอยู่ก็ทุกข์นะต้องพลิกไปพลิกมาว่ามันทุกข์นีความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุที่ยืมโลกมาใช้ชั่วคราวจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเกิดดับตลอดเวลา จิตใจที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตใจที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ดีจิตที่โลภที่โกรธที่หลงนั้นแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยแล้วก็บังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งจิตใจว่าจงดีไม่ค่อยจะดีหรอกสั่งให้ดีก็ไม่ดีนะห้ามชั่วก็ชั่วนะเคยตั้งใจจะไม่โกรธไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจว่าจะไม่รักนะแล้วก็รักหรือไปเดินสวนการค้าเนี่ยจุฬาเนี่ยตั้งอยู่ในตำเล ที่ค้าขายมากใหม่นะนักศึกษาว่างๆก็แวะไปดูของตั้งใจจะไม่ซื้อเสร็จแล้วก็ซื้อเพราะอะไรมันบังคับตัวเองไม่ได้ใจมันบังคับไม่ได้เนี่ยความจริงของร่างกายคือมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุความจริงของจิตใจคือมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยการที่เราจะมาได้รู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้นะ เป็นสิ่งที่เรียกว่ามิปัสสนากรรมฐานคือวิธีการที่จะทําให้เราสามารถเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจได้ก่อนที่หลวงพ่อจะพูดถึงวิธีการที่จะเห็นความจริงของกายของใจนะเราอยากจะบอกนิดนึงว่าเห็นเราได้อะไรถ้าเมื่อไหรนะเราเห็นความจริงของกายของใจได้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกไปเลยถ้าเห็นความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะครความยึดถือจึงหลุดพ้นเพรหลุดพ้นก็คือพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นเป้าหมายปลายทางที่เรามาปฏิบัติในปัสนากรรมฐานเนี่ยที่มารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นถ้าถามว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยประโยชน์สูงสุดของเราก็าคืออะไรคือความพ้นจากความทุกข์นะคือความดับสนิทของทุกข์ งั้นศาสนาพุทธนี่จะมุ่งมาที่ตัวทุกข์เลยถ้าเมื่อไหร่เราพ้นจากทุกข์ได้นะชีวิตเราก็มีคุณค่าสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วเรื่องอะไรเกิดมาทั้งชาติจะต้องทุกข์ทั้งชาติใช่ไหมคนที่โง่เขลาไม่ได้มีทางออกมันก็ต้องทนทุกข์ไปแต่พระเจ้าจวางทางออกไว้ให้เรามีวิธีนะวิธีวิคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะถอดถอนใจตัวเองออกจากความทุกข์ไดนะ้ความทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอก ความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กาย ก, ายกาย็ อ, อยู่ที่ใจถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วความทุกข์จะตั้งอยู่ไม่ไดนะ้ความทุกข์จะครอบงาใจเราไม่ได้เลยร่างกายเนี่ยถ้าเราเรียนไปนะเราจะรู้เป็นตัวทุกข์แล้วก็ใจเนี่ยพอรู้ความจริงแล้วใจจะยอมรับว่ากายนี้คือตัวทุกข์เมื่อใจยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเวลาแก่มันจะไม่รู้สึกว่าเราแก่มันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์เนี่ยแก่ถ้าตัวทุกข์แก่สมทําหน้ามันใช่ไหม เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะรู้สึกว่าตัวทุกข์เจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายตัวทุกข์มันตายไม่ใช่เราตายไม่เดือดร้อนเลยนะตัวทุกข์มันเป็นทั้งนั้นเลยเนี่ยเราค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวจะเห็นความจริงของมันมีจตต์ตัวทุกข์เพราะรู้อย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์อยู่ได้แต่ในร่างกายแต่จะเข้ามาไม่ถึงใจคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกธรรมะเนี่ย เวลาร่างกายมีความทุกข์นะใจจะมีความทุกข์ไปด้วยบางทีร่างกายเป็นทุกข์คล้ายๆสักยี่สองศานะบวกความทุกข์ทางใจเข้าไปมันเป็นร้อยเลยนะมีวิธีทดสอบนะอย่างผู้หญิงผู้หญิงมีรอบเดือนบางคนปวดท้องนะปวดท้องแล้วปวดมากเลยยังไม่ทันรอบเดือนจะมาเลยนะก็ปวดท้องแล้วใจมันใจมันปรุงแต่งขึ้นมาแต่นี่หลวงพ่อเคยสอน พวที่มาปวดมากๆเลยต้องกินยาทุกคราวเลยเวลามีประจำเดือนเลยเนี่ยบอกลองดูสิว่าความปวดมันอยู่ที่กายนะแล้วความทุรนทุรายมันอยู่ที่ใจเนี่ยพอเขาดูออกแล้วเขาเห็นเลยความปวดมันอยู่อันหนึ่งนะร่างกายอยู่อันนึงความปวดอยู่อันหนึง่งใจเป็นคนดูอยู่อีกอันนึงเลือความปวดนิดเดียวเลือความเจ็บความปวดนิดเดียวนะไอ้ที่เคยปวดมากจะดิ้นเล่าๆนะร้องบ้านจะแตกนะไม่ร้องแล้วแล้วปวดนิดหน่อยเอง แต่ทำไมแต่เดิมผมรู้สึกว่ากวดเดยอะใจมันเข้าไปขยายความรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาเองเนี่ถ้าเราค่อยๆฝึกนะใจเราจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นค่อยๆฝึกสุดท้ายสิ่งที่เราได้มานะคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเวลาที่เรามาฝึกรู้ความจริงของกายเราจะไม่ถูกขเราะร่างกายอีกต่อไปถ้าเรามารู้ความจริงของจิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจนี่มีแต่ของแปรปรวน นะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้นะใจจะสบายขึ้นเยอะเลยทุกวันนี้ใจของเราเ ร, าร่าร้อนนะเพราะใจเราอยากได้ความสุขใจเราอยากหนีความทุกข์แนละ้วทุกวันนี้เราไปสังเกตตัวเองดูเลยนะทําไมเราต้องไปเที่ยวเราอยากมีความสุขนะทําไมไปกินเหล้าเมายานะกลุ่มใจอยากจะหนีความทุกขนะ์อยากกินเหล้าให้สนุกให้เฮฮาอยากไปคุยกับคนไม่ว่าเราอยากอะไรนะเบื้องหลังลึกๆเลยอยากมี <ๆ S 1> <Yale. S 2> ความสุขอยากจะหนีความทุกข์ แต่ว่าถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอเราจะเห็นนะความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าใจมันเข้าใจถึงตรงนี้นะมันจะไม่ยินดีพอใจในความสุขนะความสุขมีเนี่ยจิตจะไม่หลงละเริงเลยถ้าความสุขหายไปจิตก็ยอมรับความจริงได้ว่าความสุขมันทําหน้าที่ของความสุขเสร็จแล้วมันไปแล้วนะใจไม่หวั่นไหวเวลาความทุกข์มาเนี่ยจิตยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันเป็นของห้ามไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันจะมามันก็มา แล้วมันก็ไม่เที่ยงมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเวลาที่เรามีความทุกข์นะแล้วเราก็คอยคิดอยู่นะว่าความทุกข์นี้อยู่ชั่วคราวถ้าคิดอย่างนี้ได้นะใจจะมีความสงบสุขขึ้นมานะแค่คิดเท่านั้นเองแต่ถ้าสามารถรู้ไม่ใช่คิดสามารถรู้สามารถเห็นความจริงได้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวนะความทุกข์จะกระเด็นออกจากใจเราไปเลยนะั้นเราจะคอยมารู้กายมารู้ใจนะแล้วสิ่งที่เราได้คือเราจะพ้นจากความทุกข์ ความทุกไม่ไปติดอยู่ที่ร่างกายนะเข้ามาไม่ถึงใจอีกต่อไปนี่หลวงพ่อที่พูดมาเนี่ยนะพูดให้เราฟังในประเด็นที่ว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมจะเป็นชาวพุทธนะที่เราจะปฏิบัติธรรมะไรมาเห็นความจริงของรูปนามกายใจเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์นี่วิธีการวิธีการเราจะทำยังไง การที่เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้เนะี่ยมันมีเครื่องมือที่สําคัญอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือสติตัวหนึ่งคือสมาธิสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ของยากเอาทุกคนลองยิ้มซิลองยิ้มห ว, นหวานๆลองยิ้มนะยิ้มหวานๆรู้สึกไหมร่างกายยิ้มลองไปยักหน้าซิ รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าลองทําหน้าตาเครียดๆสิคล้ายๆตอนสอบแล้วเกรดออกมาแย่ๆลองลองทําหน้าลองทำํำเครียดๆรู้สึกไหมหน้าตาเครียดลองขยับมือรู้สึกไหมร่างกายขยับสังเกตไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะ ร่างกายเคลื่อนไหวเราค่อยรู้สึกบ่อยๆต่อไปสติจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดสติเองก็เป็นของที่สั่งให้เกิดไม่ได้สติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสภาวธรรมอื่นๆนะรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายแล้วแต่เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติก็สั่งให้เกิดไม่ได้แต่สติจะเกิดได้เองเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆ อย่างเราอยากให้สติเกิดเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ต้องคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายพยักหน้านะร่างกายยิ้มร่างกายขับถ่ายร่างกายอาบน้ําร่างกายกินข้าวร่างกายแต่งตัวคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆที่ร่างกายนะต่อไปเนี่ยสติมจะ อ, อยู่กับกายนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยเรากำลังเผลอๆอยู่ขยับตัวทีเดียวนะ สติจะมาแล้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามันจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขึ้นมาหรือถ้าเราจะรู้นามาทำรู้ความรู้สึกในใจพวกเรารู้จักความสุขไหมเวลามีความสุขใจรู้จักไหมคลุ้มใจรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักไหมหดหูรู้จักไหมดีใจเสียใจอิจฉาอิจฉาเป็นไหม ในห้องนี้ใครไม่รู้จักอิจฉาไม่เคยอิจฉาเลยเกิดมามีไหมถ้ามีก็จะต่อด้วยมูสา้เนทะนะนะ่าที่สํารวจนะไปถามมาหลายที่แล้วถามว่าใครใครขี้อิจฉาบ้างยกมือเยอะๆนะผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะเป็นเรื่องแปลกนะผู้หญิงอาจจะวางฟอร์มก็ได้อิจฉาแต่ไม่บอกนะแต่ผู้ชายหน้าหนาหน่อยยกมือเย่งเลยนะขี้อิจฉา รู้จักกลัวไหมกลัวใครเคยกลัวบ้างเี็ไหมกลัวอะไรบ้างกลัวเมียน่ไอ้นั่นเป็นที่เคารพอยู่แล้วล่ะห้ามห้ามแตะต้องเนะนี่ยความรู้สึกในใจของเราเนะเรารู้จักทุกอย่างความรู้สึกสุขเราก็รู้จักความรู้สึกทุกเราก็รู้จักนะความดีเราก็รู้จักใช่ไหมโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูดีใจเสียใจรู้จักทุกอย่างเลยอิจฉาพยาบาท เบื่อกระเซงก็เหมือนกันไหมเบื่อกระเซงดีกรีไม่เหมือนกันเห็นไหมเซงเนี้ยไม่มีเหตุมีผลเลยเบือ่อบอนทีเห็นหน้าไอ้คนที่บ่อยเบื่อมันแต่เซงเนี้ยอยู่ๆก็เซงนะดีกรีไม่เหมือนกันและความรู้สึกในใจทุกชนิดเนี้ยพวกเรารู้จักได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับความรู้สึกทางร่างกายทุกอย่างเรารู้จักได้อยู่แล้ว ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้จักทั้งนั้นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้จักทั้งนั้นร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายเราก็รู้จักใช่ไหมในจิตใจเนี่ยสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักดีก็รู้จักชั่วก็รู้จักต่อไปเนี้ยเราค่อยรู้สึกนะอะไรเกิดขึ้นในกายค่อยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจค่อยรู้สึกถ้าจิตใจมีความสุขเราก็รู้ความสุขหายไปเราก็รู้จิตใจมีความทุกเราก็รู้ ความทูกหายไปจากจิตใจเราก็รู้เนี่ยจิตใจกะดีกระดาขึ้มรู้ว่ากะดีกระดาจิตใจหนหูรู้ว่าหอนหูเนี่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองรู้บ่อยๆรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแต่ไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเฉลือบ้างแต่รู้บ่อยๆการที่เรารู้บ่อยๆนั้นจะทำให้สติเกิดขึ้นเพราะสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจาสภาวะได้แม่น จิตจำสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆก็แค่นี้เองเหมือนเราเห็นคนคนนี้เห็นทุกวันเลยเห็นบ่อยๆวันนึงเห็นหลายรอบจำแม่นไหมอีกคนหนึ่งไม่เจอตั้ง20สิปีแล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่แม่นละงั้นการที่เราจะเห็นสภาวะต้องเห็นบ่อยๆรูปธปรรมก็ได้นามาทำก็ได้าไดหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยพอเราเผลอโกรธขึ้นมาเนี่ยลมหายใจเปลี่ยนจังหวะ พอกรวดปุ๊บลมหายใจเปลี่ยนอย่างว่านะสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยเระลึกรู้ลมหายใจนะ mm hmm. ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอะไรเงี้ยนะพอเราขาดสตินะอย่างหลวงพ่อมีเพื่อนพ่อโมโหสัง่งก๋วยเตี๋ยวแล้วแม่ค้าส่งผิดคิว mm hmm. เด็กเสิร์ฟอะส่งผิดคิวไปส่งคนอื่นก่อน mm hmm. พอมาถึงโต น, นี้ตกเลยต อ, mm hmm. ตอนที่ตกไปเนี่ยเขาเคยฝึก เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะพอโกรธจิตสั่งให้ตบมือก็เคลื่อนสติะระลึกได้นะเฮ้ยอย่าตบเขานะแต่เรียกไม่ทันนะร่างกายเนี่ยมันรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนไปแล้วนะดวงใหม่สั่งเนี่ยมันยังแปลความหมายไม่ทันอย่าไปตบเนื่อไปตบเขาแล้วนะนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งนเะนคอยรู้สึกพอโกรธขึ้นมา พอเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกแล้วเนี่ยสติเกิดได้เองละเองแต่ว่าสติแก่ช้าไปหน่อยนะมือแกไปตึกหน้าเขาซะ ก, ก่อนนะถ้าสติเร็วกว่า น, นี้นะำ ก, กำลังโกรธกํำลังจะชกหน้ามันแล้วขยับมือขึ้นมานะเปลี่ยนเป็นเชแค้นเออนะเปลี่ยนทันนี่เราค่อยฝึกหัดรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหรือจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาค่อย ร, รู้สึกรู้สึกบ่อย ค น, นขี้โมโหบ้างในห้องนี้ใครขี้โมโหยกมือสีอกมือสีเยอะนะขี้โมโหภูมิเดิมฐานเดิมของจิตนะพวกโทสะเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นจากนารกมานะแล้วอย่าเสียใจนะเราควรจะดีใจว่าเราขึ้นมาแล้วนะอย่า ก, กลับไปอีกก็แล้วกันนะใครขี้โลภ บ, บ้างใครขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจออะไรก็ชอบลูกเดียวชอบกระจายน้อยกว่าขี้โกรธนะพวกขี้โลภนี่พวกเปลดิด นะ <laughs> ใครใช่ใจลอยเก่งใจลอยใจลอยโหเยอะเหมือนกันนะใจลอยเนี่ยพวกเดรชาณ์นะสังเกตไหมพวกหมาพวกแมวอะเวลามันนั่งอยู่ตัวเดียวมันใจลอยเฉื่อเฉือรู้สึกไหมนั่นภูมิเดิมของมันเพราะงั้นถ้าเรานั่งวันมัในก็ใจลอยนะไอ้นี่ยฝึกซ้อมเพื่อจะกลับบ้านเดิมนะ <laughs> กลับไปเป็นเดรฉานใหม่เรารู้จักใช่ไหม ถ้าคนไหนขี้โกรธเราทำกรรมฐานเลยนะโกรธเรารู้โกรธเรารู้ไม่ใช่ห้ามโกรธนะเพราะว่าโทสะก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้งั้นโกรธเราก็รู้โกรธเราก็รูนะ้โลกขึ้นมาคนไหนขี้โลภนะโลกขึ้นมาเราก็รู้หายโลภเราก็รู้คนไหนฟุ้งซ่านใจลอยไปรู้ววใยหนะ่อยใจลอยเรารู้ใจลอยเราวรู้แต่ตัวนี้ดูยากที่สุดโทสะดูง่ายที่สุดนะ พระพุทเจ้าบอโทสะมีโทษมากนะแต่ละง่ายที่ละง่ายเพราะเห็นง่ายราคะนะท่านบอกมีโทษน้อยนะมีโทษน้อยแต่ละยากโมหะมีโทษมากแล้วก็ละยากด้วยเพราะงั้นพวกเมอพวกใจลอยอะไรเนี่ยมีโทษมากนะไปอบายแต่เราก็ละยากด้วยงั้นหลวงพ่อขอขอแสดงความยินดีนะกับกลุ่มโทสะเมื่อกี้นี้เพียบเลยนะ ยกมือใหม่สิพวกโทสะเยอะกว่าเก่าแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรแปลได้เปล่าเห็นอันไหนดีก็จะเอากัเขาบ้างนะถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราจะฝึกสติของเราเราก็คอยดูใจที่โกรธมันขัดใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้มันหายหงุดหงิดก็รู้มันโกรธขึ้นมาอีกก็รู้หายอีกก็รู้ ความโกรธเกิดขึ้นตอนไหนความโกรธเกิดเมื่อตามองเห็นเนะมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อร่างกายสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเมื่อใจคิดนะปกติเมื่อตามองเห็นรูปเนี่ยยังไม่โกรธหรอกต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโกรธอย่างเราขับรถอยู่นะคนมาปาดหน้าเราเนี่ยถ้าเราใจลอยอยู่เราไม่โกรธเลยนะไม่ได้คิดแต่ถ้าเราคิดมันแน่สัแค่ไหนไวะไอ้สันดาล พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันพุทบุตรเจ็ดชั่วโคตรไม่เคยสั่งสอนนะคิดอย่างนี้เท่านั้นนะโธ่สาพุ่งกระชูดเลยหรือมันดูถูกกันเหรอเห็นว่ารถเรากระจกเหรอนี่เห็นว่าเราขับรถไม่เป็นเหรอเนี่ยคิดอย่างนี้นะโท่สาก็ขึ้นนถ้าคิดในทางบ ว, วกโท่สาจะไม่ขึ้นเห็นเขาขับรถรีบร้อนโโสงสัยแม่ยายจะออกลูกเออน่าสงสารอย่างนี้นะอไม่โกรธเลยอย่างนี้ไม่โกรธ งั้นจะสังเกตให้ดีนะตาหูจมูกลิ้นไกากระทบอารมณ์แล้ว น, นะยังไม่โกรธหรอกใจต้องคิดนิดนึงก่อนงั้นตัวที่ทําให้โกรธเคือตัวที่ใจนี่เองนี่การทํางานของใจโลภก็เหมือนการเห็นเนี่ยยังไม่โลภยังไม่รักหรอกนะต้องคิดนิดนึงก่อนต้องปรุงทางใจก่อนถึงจะรักได้นะถึงจะชอบได้นี่เราเคยรู้สึกไปนะตาหูจมูกลิ้นไกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติใจให้มันคิดไปตามธรรมชาติ แต่เมื่อคิดไปแล้วนะมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้นะมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้กุศลเกิดให้รู้โลกตรธหลงเกิดให้รู้หัดรู้สภาวะบ่อยๆนะถ้าขั้วขี้โกรธเนี่ยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธจิตจะจําความโกรธได้แม่นเพราะเห็นบ่อยพอจิตจําความโกรธได้แม่นนะพอความโกรธเกิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัติเราไม่เจตนาให้เกิดพอมันขัดใจคุณปุ๊บขึ้นมามันเห็นนะ้ เนื้อสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉะนั้นการที่พุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานพิสูจน์ทั้งหลายหายใจออกนะก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกให้รู้ร่างกายหายใจบ่อยๆหรือพิสูุทั้งหลายยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดเลยคือคอยรู้สึกอยู่บ่อยๆรู้สึกอยู่เนืองๆแล้วสติจะเกิดเอง พิสูจทั้งหลายมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้บๆแล้วพอสุขเกิดนะสติก็เกิดทุกข์เกิดสติก็เกิดตัวไหนที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นมาสติจะเกิดเองนะพิสูจนทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะถ้าาขี้โมโหเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ได้ห้ามนะ แต่ต่อไปพอกโกรธเราก็รู้โกรธเราก็รู้ทีแรกต้องโกรธตัวใหญ่ๆก่อนถึงจะรู้ต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละตอนหลวงพ่อหัดภาวนาณ์นะนหลวงพ่อเป็นพวกที่โกรธพวกโทสะจริตนะเป็นพวกโทสะจริตทีแรกเราต้องเห็นโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้ต่อมานะอยู่ในห้องมืดๆอย่างเงี้ยเปิดประตูออกไปแสงแดดกระทบเปลือกตานิดนึงขัดใจแล้วนะโทสะขึ้นแล้วแสงแดดกระทบตานิดเดียวเท่านี้ มุนหิดละลำคาญนะเนี่ยทำไมเราเห็นกิเลส ต, ตัวนิดเดียวก็ยังเห็นเพราะเราหัดดูบ่อยๆสติมันก็ไวขึ้นไวขึ้นทีแรกสติก็จําได้แต่ของหยาบๆนะต่อไปฝึกไปเรื่อยๆกระทั่งของละเอียดเราก็เห็นเนี่ยเราหัดฝึกมากๆนะในที่สุดเราจะได้สติเป็นตัวคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายอะไรเกิดขึ้นในจิตใจ ต่อไปเราก็มาฝึกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการเจริญปัญญาคือตัวสมาธิสมาธิเนะี่ยพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆนะไม่ต้องเข้าฌานหรอกสมาธิที่จะใช้สําหรับการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าภาษาไทยเลยนะที่ใกล้เคียงที่สุดเลยคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคํานี้ไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะงงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนื้ออยู่ในตู้เย็นตัวอยู่ในทุ่งนานะอะไรอย่างงี้นะคิดอย่างนี้ ไม่รู้จักภาษาตัวนี้แล้วใครไม่รู้จักคําว่าจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวบ้างมีไหมห้องนี้แสดงว่าแก่ได้ที่นะคํานี้เป็นคําค่อนข้างโบราณหน่อยหนึ่งแล้วเด็กเดี่ยนี้ไม่ค่อยพูดถึงคํานี้ละเพราะมันชอบหลงสภาวะที่จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวคือจิตไม่ล่องลอยไปจิตใจอยู่กับตัวเองนะนี่คือสภาวะที่จิตใจมีสมาธิสมาธิอย่างนี้นะเพียงพอสําหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่จำเป็นถึงขนาดต้องเข้าฌานถ้าเข้าฌานได้ต้องออกจากฌานมาแล้วมาเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือเวทนาความสุขทุกข์ถ้าเข้าฌานไม่เป็นเราดูจิตใจที่ผันแปรตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ย ว, วดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายฮัตตูไปเรื่อยๆเนี่ยการที่เราคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่าน ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดนะถ้าเรารู้ความรู้สึกทั้งหลายสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นสติจะเกิดแต่มันมีตัวเฉพาะอยู่ตัวนึ่งคือถ้ารู้ความฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดแล้วเราคอยหัดรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะเรารู้ทันใจตัวเองบ่อยๆใจฟุ้งซ่านเป็นยังไงใจฟุ้งซ่านเนี่ยส่วนใหญ่จะหนีไปคิดนะรองลงมาถ้าตามไม่บอดก็หนีไปดูนะรองรงไปอีก้็หนีไปฟัง นะส่วนจิตไหลไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรนี่มีไม่มากยกเป็นพวกธท ร, รมหากินด้วยการดมกลิ่นมีอยู่คนห เ, นะเป็นนักดมกลิ่นอาชีพเขาเลยนะนักดมกลิ่นปกติทั่วไปเนี่ยใจจะหลงไปคิดอันดับหนึ่งนะรองลงมาก็ทางหลงไปดูหลงไปฟังนะเวลาที่เราจะฝึกให้รู้ทันใจที่หลงไปคิดทำยังไงทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ ให้ใจมีที่อยู่ซะ ก, ก่อนถ้าใจมีที่อยู่แล้วพอใจหนีไปจากที่อยู่อันนี้เราจะรู้ได้อย่างรวดเร็วถ้าใจไม่เคยมีที่อยู่มันจะหนีหายไปนานเล ย, ยที่อยู่ของใจเราอาจจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นนจะดูท้องของยุกก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ทางใครทางมันไม่สําคัญหรอกนะไม่ใช่ว่าสำนักไหนดีกว่าสำนักไหน นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราทำได้ที่เราทำแล้วสบายใจแล้วเราคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนะหรือใจมันหนีไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานยกตัวอย่างนะเวลาเราหายใจนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่ดีๆนี่แหละแปบเดียวหนีไปคิดเรื่องอื่นนะลองดูนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะ คิดไหมเนี่ยคอยรู้แบบเนี้ยใจมันคิดเรารู้ใจมันคิดเรารู้ฝึกแบบนี้นะลองซ้อมอีกรอบหนึ่งอย่าคิดนะบางคนคิดพุทโธพุทโธนะเราบอกไม่คิดนะก็คิดพุทโธแล้วแหละพวกพยายามขี้โกงใจก็อย่าไปคิดตลอดแหละห้ามไม่ได้นะหลวงปู่ดูลนท่านก็บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดงั้นต้องคิดนะ พอคิดไปแล้วใจเราก็จะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไหไ่ลืมกายลืมใจ้ ete, ็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงเลยความคิดความฝันอย่างเวลาเราใจลอยรู้สึกไหมขณะที่ใจลอยเราไปอยู่ในโลกของความคิดบางทีก็รู้เรื่องคิดรู้เรื่องบางทีก็คิดอะไรก็ไม่รู้เคยเป็นไหม ใจลอยแบบลอยสุดขีดคิดอะไรยังไม่รู้เลยว่าคิดอะไรรู้แต่ว่ามันแอ บ, บไปคิดแล้วละ่นะเนี่ยใจมันหนีไปเราคอยรู้สึกใจหนีไปคิดเรารู้ทันทันทีที่รู้ว่าใจหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันเมื่อไหรจิตรู้มเมื่อนั้นจิตไม่คิดเมื่อไร่จิตคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้จิตทําหน้าที่ครั้งละอย่างเดียวถ้าทําหน้าที่คิดแล้วนะก็ไม่รู้หรอกถ้าทําหน้าที่รู้อยจะไม่คิด เวลาเราดูโทรทัศน์ดูทีวีเราบอกว่าตาเรามองเห็นหูเราก็ได้ยินใจเราก็คิดสามอย่างนี้ทําพร้อมๆกันที่จริงไม่พร้อมกันหรอกทำสลับกั น, นไปสังเกตใจของเราเองเราจะเห็นมันสลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะใจเนี้มันทํางานมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไปคิด ถ้วเราค่อยฝึกกรรมฐานนะทำสักอย่างหนึ่งแล้วเราค่อยรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นอยู่ดีๆแล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้า right ไปแล้วอย่างนี้เรียกว่าใจลอยไปแล้วขาดสมาธินั่นเองใจลอยไปให้เรารู้ทันว่าใจลอยไปแล้วนะ ไม่ว่ามันไม่ไปด่ามันนะบางคนพอใจลอยน้ำโมโหตัวเองด่าใหญ่เลยขณะที่กำลังโกรธตัวเองแล้วก็ใจลอยอีกรอบแล้วละใจลอยไปอยู่ในโลกของความฟุ้งซ่านรุนแรงนะใจลอยไปอยู่ในนรกแล้วใจมีแต่ความทุกข์แล้วนะี่เราคอยรู้ทันเวลาใจหนีไปคอยรู้ใจหนีไปเราคอยรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะถตาไปใจจะอยู่กับตัวเอง นี่เรามีสติแล้วนะมีสติด้วยกันหัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้จิตใจมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วคอยรู้นะต่อไปอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติเกิดเองอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติจะเกิดเองแล้วถ้าเราคอยมาฝึกต่อทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันว่าจิตหนีไปบางทีจิตนี้ไปหยุดที่ลมหายใจนะอย่งรู้ลมหายใจเนี่ยหนีได้สงแบบ ยังหนงหนีไปคิดแล้ว อ, อื่นเลยลืมลมหายใจอันที่สองไปไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจจิตลงไปจ้องอยู่ที่ตัวลมหายใจหรือจิตเคลื่อนไปถ้าจิตเคลื่อนแล้เรารู้เมื่อไหร่เนี่ยจิตที่ตั้งมั่นคือมีสมาธิจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยจะเกิดขึ้นเองแต่เกิดชัว่วขณะมันเป็นคณิกะสมาธิเท่านั้นเองแต่ฝึกบ่อยๆจนทังจิตเคลื่อนเรารู้เรารๆ้นะในสุดความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมามันเหมือนเรารู้ตัวได้ทั้งวันเลยคราวนี้ถัดจากนี้เราจะเจริญปัญญาได้ละ เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่เป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูจิตเป็นผู้ดูร่างกายมันก็จะเห็นร่างกายตรงตามความเป็นจริงถ้าจิตมันขาดสตินะขาดสมาธินะร่างกายเคลื่อนไหวทรงเดชไปจิตไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายได้หรือเรามีสติรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนมีใจเป็นคนดู เราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันความโกรธกับใจเป็นคละานกันความโลภกับใจเป็นคละานกันความหลงกับใจเป็นคละานกันความสุขความทุกข์กับใจเป็นคละอนกันนี่จะเห็นอย่างนี้เราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยแต่เดิมใจไม่โกรธ พอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีคิดอะไรทางไม่ดีหน่อยหนึ่งความโกรธก็ผุดขึ้นมามนะันผุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันแล้วเห็นแล้วใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราเห็นอนะความโกรธมันผุดขึ้นมาได้เองนะโม้ความโกรธนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเกิดได้เองแล้วก็มันก็ดับไปเองมันเกิดแล้วมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงนะนี่จะเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วดับไป ตรงนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะอย่างเห็นร่างกายเนี่ยเราไม่ใช่แค่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะแต่มันมีความรับรู้อย่างลึกซึ้งในใจลงไปด้วยว่าตัวที่หายใจอยู่ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อท่าเราจะมีความรู้สึกเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึง่งนะใจเรามาอาศัยอยู่ในเปลือกอันเนี้ยเราเห็นได้ตัวเนี้ยมันทํางานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะค่อยๆฝึกนะแล้วเราจะเห็นในร่างกายนี่มันเหมือนกลวง จิตมาอาศัยอยู่ข้างในนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดจิตทุกชนิดนจิตโกรธก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภ ก, ก็อยู่ชั่วคราวจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวจิตสุขจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตดีๆก็อยู่ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวเท่านั้นเลยฮัดดูบ่อยๆนะดูแบบไม่อินกับมันดูแบบคนวงนอกดูแบบใจมีสมาธิไม่เข้าไปไหลเข้าไปยินกับสิ่งต่างๆเราจะเห็นความจริงเลยว่า ทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งอริยามรรคขั้นต้นจะเกิดขึ้นโซดาปฏิมาจะเกิดขึ้นคนที่ได้โสดาปฏิมาเป็นพระโซดาบันเนี่ยคือจิตเนี่ยยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะและความรู้สึกนึกคิดเท่าไหราก็เป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่มีตัวเราตรงไหนเลย ถ้าเห็นได้อย่างนี้ใจเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันนะใจมีความสุขมันมหาศาลเกิดขึ้นเราอย่าไปคิดว่าอาริยบุคคลมีสชั้นได้โสดาบันเนี่ยมีความสุข25เปเไม่ได้เป็นเลขบัญญัติตรายางนะความทุกข์ในใจนี่จะหายไปเยอะเลยเวลาที่เผชิญปัญหาชีวิตยอย่างร้ายแรงนะคนอื่นเขาตีโพยตีพายฆ่าตัวตายอะไรต่อไรเราก็แค่รู้สึกของความทุกข์มันมามันไม่มีเรา มันไม่มีตัวเราจนะรู้สึกเนะร่างกายมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เราทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้ น, ะนั้นจิตใจนียจะเปลี่ยนไปยิ่งเราพาวนาสูงขึ้นสูงขึ้นนะจิตใจเกิดปัญญามากขึ้นรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจมากขึ้นถึงจุดหนึ่งเนะี่ยมันจะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ทุกวันนี้เราหวง ร, รักร่างกายมากนะเพราะรู้สึกร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเรานะแต่ถ้าเราเจริญปัญญามากๆเรารู้เลยร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกขนะ์ถ้าเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้นะความรักความพวงแหนในร่างกายมันหายไปร่างกายนี้ทุกข์จริงๆนะทุกข์อยู่ทุกขลนะมหายใจเข้าออกลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าให้ยาวๆแล้วก็ตอบตัวเองว่ öglich, วามันสุขหรือมันทุกข์ทุกข์หายใจออกสิ หายใจเข้าทุกข์เราหายใจออกยาวๆแล้วตอบตัวเองสุขหรือทุกข์แม้ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเลยนะมันเป็นอย่างนี้มาแต่เกิดแต่เราไม่เคยเห็นความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ทุกอีริยาบทมันเป็นอย่างนี้มาแต่เกิดเราไม่เห็นเราก็รู้สึกร่างกายเป็นของดีของวิเศษเพ่าเรามีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็ได้เห็นความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ ถ้าเห็นตัวนี้เต็มภูมินะเป็นภูมิของพระอนาคามีนะใจจะตัดกรรมราคะแล้วก็ความขัดใจได้นี่เป็นยละของมันเองแล้วก็ถ้าเห็นความจริงขั้นสุดท้ายเลยรู้ว่าตัวจิตเนี่ยคือตัวทุกจะปล่อยวางจิตได้อย่างที่หลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรอันนี้ท่านพูดแบบอ้อมๆนะถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรค ไม่ใช่มักธรรมดาเพราะจิตเห็นจิตอย่างแขมแจ้งแล้วจิตจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกเลยเพราะกระทั่งตัวจิตยังเป็นตัวทุกข์เลยเนื่องการที่เห็นทุกข์นี่แหละจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามะจิตจะเข้าสู่สภาวะที่พ้นจากรูปนามคือพระนิพพานจิตจะพ้นจากความทุกข์นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานไม่ได้มีพระพุทธรูปไปนั่งเข้าแถวหรอกนะแน่นั้นเี่ๆเป็นนิมิตเท่านั้นเอง นิพพานคือสภาวะที่จิตมันสิ้นปัญหาสิ้นความอยากสิ้นความผิวโผยนิพพานเป็นสภาวะที่จิตสิ้นความปรุงแต่งดิ้นรนนิพพานเป็นสภาวะที่จิตหลุดพ้นไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไม่มีภาระใดๆเกิดขึ้นอีกนั้นเราค่อยๆฝึกไปเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยนะฟังครั้งแรกจะยาก ทำไมยากยากเพราะไม่เคยฟังถ้าฟังบ่อยๆไม่ยากหรอกไปหาซีดีฟังนะถ้าซีดีไม่มีก็ไปดาวน์โหลดมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดนะชื่ออะไรปะธรรมะ o m ต้องคอมนะถ้าอื่นว่าอันหนึ่งเป็นวัดธรรมกายอันหนึง่งจะเป็นสายโกเอ็นก้า .org ืออสายโกเอ็นก้าถ้าเน t ตนี่ธรรมกายนะ จำไว้นาธรรมะคอมแล้วไปฟังประมาณเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนอย่างช้าคนทั่วๆไปเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนฟังซีดีลงฟ้าไปนะดู YouTube ไปเดือนสองเดือนท่านาชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนสามเดือนบางคน3เดือนถ้าเกินนี้ก็ถือเป็นพวกล่าช้าละหรือเป็นพวกถ้าได้ปริญญาปริญญา LT ลลอยถ้วย <laughs> ไปฝึกนะเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาอันสั้นค่อยๆฝึกเอาบางคนเพิ่งจะมานั่งสารหลวงพ่อเลิกแล้วละ่ะจบ <laughs> มาไม่ทันก็ไปฟังซีเดียวนะมีแจกไหมปกติข้ามาแจกอยู่นะเจอมีเอาไปฟังนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาเคยห้สัมภาษณ์นิตยสารว่าทำไมถึงสวยสิบคน มีอยู่คนหนึ่งบอกว่าสวยเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อประโมนรับรองนะถ้าไปฟังแล้วหน้าตาเปลี่ยนนะแต่เดิมมันหน้าตาหงิกหน้าตาเหมือนถูกเหยียบมายู่ยี่ยู่ยี่นะไปฟังจิตใจมันเปลี่ยนหน้าตามันเบิกบานสว่างสวสวยโดยไม่ต้องทาแป้งสวยอยู่ได้ด้วยตัวของเองไปฝึกเอานะแล้วธรรมะนี่ไม่ใช่ของธรรมดา ยามฉุกเฉินยามจำเป็นเนี่ยธรรมะช่วยเราได้มากเลยลถความลดงายอะไรเนี่ยคนอื่นตกใจเราไม่ตกใจจิตมีจะดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยนะเห็นรถคว่าําเห็นร่างกายกําลังกลิ้งเห็นหัวจะโขกถนนอนะไรงี้แล้วมันหลบมันหลีกได้ะช่วยตัวเองได้สารพัดเลยนะค่อยๆฝึกไปอย่างบางคนไปทําฟันหลวงพ่อนี่นหะไปทําฟันนะเพื่อหมอ ผู้หญิงที่แรกเราปวดฟันนะไปทําร้านเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆที่ทํางานเข้าไปเห็นวนะุ้หมอผู้หญิงตัวนิดเดียวเองชักลังเลเหมือนกันนะแต่เสียมารยาทนะน่ะหนีเห็นหน้าหมอแล้วนี้ให้ถอนหมอฉีดยาไปหมอถอนถอ น, ถอนนี่ออกอะ่ะหมอนี่นั่นเหงื่อแตกแทบร้องไห้เลยนะเราต้องคอยปลอบหมออีกทีใจเย็นๆหมอถอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกนะ <c oughs> เนื้อ ใ, ใจเราคอยฝึกไว้นะทำอะไรได้ประหลาดประลาดนะ เช่นต้องคอยปลอบหมอฝนะนะึกหน้าแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นชีวิตจะได้มีความสุขถ้าฝึกแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานะก็คือหลักธรรมะที่อยู่ในใจเรานี่เองนะเราจะเข้าถึงสันติสุขภายในของเราเองเราจะรู้เลยว่าพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรอะไรหรอกไอ้นั่นเป็นปลึกๆเกท่า น, นั้นเองนะบุคคลจะไม่ดีมันเรื่องของกิเลส องค์กรจะไม่ดีนะมันไม่มีการตรวจสอบอย่างงี้นะแต่ว่าใจเราเรารู้เลยว่าคุณค่าที่แท้จริงของพทุทธศาสนาอยู่ที่เราสามารถเอามาใช้เปลี่ยนตัวเองออกจากกองทุกไดนะ้เราจะรักพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นเลยพอสมควรแก่เวลาเลาใครจะส่งกันบ้านว่ามากราบหลวงพ่อคะ่ะเดือนที่แล้วหนูไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อคะ่ะ ก็เดือนที่เราไปด้วยสภาพแบบมืดมื ด, ม, ดมืดมากๆค่ะแล้วก็หลวงพ่อสอนว่าเวลานั่งถ้ารู้ว่ามืดหรือสว่างให้ดูไปที่จิตของตัวเองค่ะแล้วก็เดือนที่ผ่านมาหนูก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนนะคะก็เห็นว่าถ้าเกิดว่านั่งแล้วมันมืดเนี่ยจิตมันมันดิ้นดิ้นดินดินเหมือนมันไม่ชอบเลค่ะแต่ดูไปปุ๊บเนี่ยจิตมันจะค่อยๆหายแล้วก็ค่อยนิ่งแต่ว่ามันจะไม่ได้ นิ่งไปหรือเบาลงในทันทีนะคะมันใช้เวลาประมาณนึงหลังจากนั้นก็ก็หนูก็ดูลมหายใจไปอะคะ่ะทีนี้เนี่ยพอนั่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันจะมีลูกของมันนะคะคือสมมติว่าหนูนั่งดูลมหายใจไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็เผลอไปคิดพอจิตเผลอไปคิดปุ๊บร่างกายมันจะมีการโยกอยู่ในบางอย่างเราจะรู้สึกตัวว่าอะเมื่อกี้ไปคิดละมันก็จะสว่างขึ้นมาพอสว่างมาหนูก็กลับมาดูลมหายใจอีกทำไมมันสว่างแล้วไหม ว่าตรงที่เรารู้ว่าจิตนี้ไปคิดน่ะสมาธิมันเกิดจะสว่างขึ้นอัตโนมัตินะใจจะสบายโปร่งโล่งเบาสว่างแล้วก็ฝึกต่ออีกแล้วไงก็ก็ได้แค่นี้นะะพอขณะนี้จิตถึงฐานไหม <c oughs> ขณะนี้ได้ถึงค่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะนะจิตไม่อยู่ที่ฐานค่ะให้เรารู้ทันจิตมันตื่นเต้นจิตมัออกนอก ออกมาหาหลวงพ่อละรู้สึกไหมเนี่ยคอยรู้ทันมันนะไม่ห้ามรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปด้วยความเป็นกลางรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้ารู้อย่างนี้ได้เรียกว่ารู้เป็นแล้วรู้ถูกแล้วะไปรู้บ่อยๆครู้จนปัญญามันเกิดดีไปทําอีกทีนี้อย่างอยากพูดรู้สึกไหมคนความอยากพูดมันดันขึ้นมากลางหน้าอกอ่ะรู้สึกไหม มันปุดขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยเนี่ยตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมไม่รู้สึกว่าเพง่งถ้าเพ่งแล้วจะอึดอัดใจมันจะแน่นแน่นอึดอัดขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมายิ้มหวานถอนใจแรงๆ อ, อย่างนี้เลยไม่หายาไม่หายค่ะมันยังตื่นเต้นมันยังตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้หรอกคไปฝึกต่อไป ฝึกรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้กายไปเรื่อยๆแล้วใจมันเป็นยังไงมันจะเห็นเองเราตูกายไว้เรื่อยๆ เ, เราเป็นคนรักสวยรักงามเราตูกายแล้วก็ต่อไปอะไรเกิดขึ้นที่จิตมันเห็นของมันเองแะแต่อย่าไปบังคับจิตให้นิ่งก็แล้วกันหนูกำลังรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาหนูปฏิบัติแบบหย่อนอกเกินไปหรือเปล่าถูกใช่มันเหมือนกับ พยายามมีสติในชีวิตประจำวันมันมันน้อยมากค่ะเรารู้สึกบ่อยๆจิตต้องมีเครื่องอยู่ถึงจะฝึกได้ดีนะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตถ้าเราไม่ได้มีเครื่องอยู่ไว้เลยเนี่ยเวลาหลงจะหลงยาวนะค่อยๆฝึกไปขอบพระคุณค่ะกับวัชตารมพ่อ ค, ครับ ก็ผมปฏิบัติทุกวันครับแล้วก็ขับในลูกแต่ทุกวันนะครับตอนขับรถนะครับรถชอบใช้เวลานานสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงก็ทําในรถตลอดนะครับทุกวันที่ขับรถนะครับแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้ขับรถก็ทําอยู่บ้านก็ทำบ้านเหมือนกันครับแล้วก็ผมรู้ตลอดนะว่าจิตเป็นยังไงนะครับมันมีโกรธมีโลภมีหลงมีรักข้าุศัพวกนี้ฮะก็รู้รู้ไปครับแล้วก on ็หลวงพ่อบอกว่าให้รู้ว่า รู้สภาวะไม่ว่าจะลมหายใจเข้าออกออกเข้าแล้วก็พวบเจตสิกพวกนี้ครับว่าอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งทีเนี้ยแต่ผมรู้รู้แต่ว่าไม่เห็นว่ามันมีมีผู้รู้อะครับไม่เห็นว่ามันมีใจเป็นคนรู้รู้แต่ว่ามันมีการรู้เฉยๆอะฮะรู้แล้วก็นั่งไปแค่นั้นก็ได้นะไม่ต้องไปจับตัวผู้รู้ขึ้นมาถ้าจับแล้วก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวไปติดแค่เห็นร่างกายมันทํางานนะ แล้วก็เหมือนกันว่ามีความรับรู้อยู่จิตนั้นเป็นตัวความรับรู้นั่นแหละถ้าจิตเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วหรือร่างกายจิตเป็นคนรับรู้ก็แค่ว่ามันมีการรับรู้อยู่แ ค, แค่นั้นพอไม่ต้องไปจับตัวผู้รู้นะถ้าจับตัวผู้รู้จะติดสมถาอีกแบบหนึ่งแก้ยากก็รู้ไปแล้วก็รู้แล้วมันก็รู้แั๊บหนึ่งก็หายไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันรู้หรือมันจะหลงเนี่ยห้ามไม่ได้ จิตมันยังไม่ยอมรับความจริงนะจิตมันยังจะเอาดีอยู่เะฉะนั้นให้ไปรู้ทันจิตที่ยังไม่เป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางเพราะฉนั้นถ้าจิตไม่เป็นกลางจิตยังยินดียินร้ายจิตยังอยากอยากดีอะไรเงี้ยให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วจิตเป็นกลางเราก็จะเห็นสภาวะทางานไปแล้วมันจะรู้แจ้งในเวลาสั้น แต่ถ้าใจไม่เป็นกลาง ม, มันมักไม่เกิดหรอกก็อย่างลมหายใจนะครับผมรู้ในใ น, ในลนักษณะมุมมองที่ว่ามันเปลี่ยนแปลมันเข้ามันออกอย่างนี้ได้ไหมครับเห็นลมหายใจเข้าออกนะถ้าถ้างั้นรู้สึกซ้ําลงไปอีกนิดหนึ่งว่ามันร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกบ่อยๆสอนมันบ้างนะเป็นการกระตุ้นให้จิตเกิดปัญญา แล้ตรงที่จิตเกิดปัญญาเนะี่ยจิตจะเห็นเองอย่างขนาดนี้น้อมจิตลงไปแล้วโมหะแทรกดวกไหม <Okay. S 1> อ, อ, อย่าน้อมจิตอย่างนี้โมหะเข้ามาไม่ดีนะใาใจหาใจหาใจแรงๆเอออย่างนี้ใช้ได้สภาวะไม่เหมือนกันดวกไหมถ้านะอย่างเงี้นแมวนะโมหะมันเข้ามารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไ้ยร่างกายนี้ไม่ใช่เรา เห็นหมร่างกายที่พนมมือร่างกายที่พยักหน้าไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมดูออกครับนั่นแหละดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยๆแล้วถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นก็ดูความรู้สึกก็ไม่ใช่ตัวเรานะมารับไปมานี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะไปฝึกอีกแป๊ดดีครับกราบในพิธีการหลวงพ่อครั บ, รบก็เคยส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วก็เพระนั้นหลวงพ่อบอกว่าขันแยกแล้วทีนี้ก็ลุงลูกโดนดอนครับหลวงพ่อ ขึ้นลงๆแล้วก็มักจะจติดเพ่งทะเลาะกับร่างกายครับพ่อคือมันมันผมนะผมไม่ค่อยได้ลมหรือเวลไม่ค่อยสะดวกด้วยแล้วก็จะคล้ายๆกับรู้สึกลำคานรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มักจะไปไปเพ่งหรือไปเค้นมันให้มันให้ได้สภาวะอย่างที่เคยรู้จักไปประคองก <c oughs> ็ <c oughs> รู้ทันใจเอานะคร <c oughs> ับใจเราดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตครับนะ นั่นเราดู ก, กายแล้วจิตใจลาคาญจิตใจเกิดดับหรือว่าเกิดดัหรือว่าลาคาญเราก็เห็นความรู้สึกเท่าไหร่เกิดดับไปเข้าข้ามาที่จิตนั่นแหละหลวงปู่ดูนเคยสอนนะว่าดู ก, กายเพื่อให้เห็นจิตดู ก, กายให้เห็นจิตดูจิตให้เห็นธรรมดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมแล้หลวงปู่สวัสดิน์กะ็สอนคล้ายๆกันแบอบกว่า ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะพอเราเสร็จแล้วถ้ามีแรงก็ดูจิตต่อนะงั้เรารู้สึกกายเพื่อให้เห็นจิตตอนนี้ความรู้สึกทางจิตมันชัดดวกไหมครับนะเราเห็นความรู้สึกต่างๆได้ชัดขึ้นแล้วแล้วเรารู้ความรู้สึกที่เกิดดับไปเรื่อยๆนะไปฝึกเอามันรู้สึกว่ากายกับจิตมันเหมือน เออมันเหมือนจะไม่ไม่ไม่แยกครับหลวงพ่อมันเหมือนจะไม่ไม่แยกเท่าไหร่มันบอกว่ามันกายมันเป็นเข้าใจคำว่าแยกผิดแล้วไม่ใช่แยกเอาจิตไปอยู่ข้างนอกนะครับมันอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่คําว่ากายกับจิตแยกจากกันมันหมายถึงว่ากายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันมันแค่นันะไม่ใช่ว่าแยกออกไปอยู่นอกร่างกายนะเพราะงั้นตอนนี้มันแยกอยู่แล้วเหมือนแยกมาตั้งสองปีแล้วหรอครับอ๋อครับ รู้สึกไหมร่างกายมันพูดเ่งนี้ใจเราเป็นคนรู้นี่คนละอันกันครับนะไม่ใช่แยกแบบถอดจิตออกจากร่างนะ <c oughs> คนละเรื่องเลยนะครับครังการังเตหรือ เ, เปล่าว่าจิตเบิกบานครับแม้มันเบิกบานได้เองนะรู้ไปอ่ะถัดไปการรักษาหลวงพ่อครับก็ออมาส่งกันบ้านแล้วก็รายงานการปฏิบัติว่ววาเมื่อสองเดือนที่แล้วรู้สึก มีความทุกข์มากเพราะว่าเอเลิกกับแฟแล้วทีนี้ก็ยึดฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยแล้วก็ตอนแรกมันยังยึดยึดความมันมันมันยังยึดเหมือนเดิมแล้วมันทุลมทุลายแต่เราก็ดูตามที่หลวงพ่อเทศไปแล้วก็ดูดูไปค่อยค่อยดูไปแล้วก็สองเดือนที่ผ่านมาก็ดีขึ้นมีความสุขแล้วปิติแบบรู้สึกดีขึ้นมานั่นแหละต่อไปจะดีใจดีใจที่เลิกซะได้ ไม่แมตกันเลิกเลิไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับตอนแรกก็เออสองสองสองเดือนมาแบบใจมปิติมันดีใจมันแบบมันฟู์โฟวเมื่อปิติก็รู้เราไม่ให้ความปิติครอบงําใจนะะปิติขึ้นมาก็รู้เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่จิตหรอกนี่ค่ยค่อยๆรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปฝึกเอาไปใช้ได้ทุกคนเลยที่สมัยบ้านวันนี้ <c oughs> แต่หลวงพ่อเขามีคัดถามครับว่า ระหว่างเราฟังไปเรื่อยเื่เราบางทีมันสลับรูกายกับ ร, รู้อารมณ์บ้างวันนี้มันจะ ด, ดูสลับกันนะครับไม่เป็นไรมันรู้อะไรก็อนนั้นแหล ะ, ะนะไม่จําเป็นว่าต้องรู้อย่างเดียวนะการปฏิบัติที่ว่ามีสายกายสายจิตอะไรเนี่ยมันสําหรับเด็กหัดใหม่แต่เมื่อสติมันเกิดแล้วเนะี่ยบางทีสติะระลึกรู้กายเราก็เห็นความจริงของกายว่าเป็นไตรลักษณ์สติะระลึกรู้จิตเราก็เห็นความจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ นั้นไม่ว่าจะเห็นอะไรนะก็ล้วนแต่ดูไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูกายไม่ใช่ดูจิตแล้วละ่ะกายกับจิตเป็นแค่ที่แสดงตัวของไตรลักษณ์เท่านั้นเองตอนนี้ขันมันแยกแยกครับแต่ว่าตอนนี้เพลงตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นล้วกดเอาไว้ครับนะ กามลักษังพระอาจารย์ครับผมเป็นครั้งแรกที่ส่งการบ้างครับผมเพิ่งได้ฟังซีดีเมื่อ5เดือนที่แล้วครับชัดเกตหรือเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิมใช่ครับแต่ก่อนผมมีความทุกข์มากครับนับ่นแหละฟังมา5เดือนใจเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับสังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจก็ขรุนกันความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วนะกะบใจก็ขรุนกันครับแล้วทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปไปดูตัวนี้ต่อครับผมอยากจะปวดเหมือนพระอาจารย์ครับ เมอยังไม่ไม่ค่อยเหมาะครับใจยังเลาร้อนอยู่ครับยังเลาร้อนภาวนาเป็นคารวาสแหละทําไปก่อนข้อกันบ้านเพิ่มเลยครับการบ้านทําเป็นอยู่แล้วไปทําเอาครับคบขอบคุณครับกร่าวนพิธการค่ะหลวงพอ่อก็ส่งกันบ้านครั้งล่าสุดปีที่แล้วอืก็เหมือนว่า เราก็รู้ว่าเราติดเรื่องของยังความไม่เป็นกลางอะไรเงี้ยยังเรามันทุกข์มันดิ้นดิ้นดิ้นทีนี้หนูว่าเหมือนกบว่ามันมันมีวันหนึ่งมันโยโย่มันก็ลงให้อการดิ้นตรงเนี้ยค่ะแบบว่าแค่แค่แบบแบบเดียวค่ะประมาณว่าเออแบบให้ายๆว่าเออความทุกข์มันก็เป็นของธรรมดาอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันมันดิ้นเยอะแต่ว่าเหมือนวันนั้นมันแค่ แ ค, แค่ตอนนั้นเฉยๆเลยนะเวลาที่ปัญญากเกิดนะเกิดชั่วขณะเท่านั้นเนะี่เวลาสั้นๆแว บ, บเดียวเวลาอาริยามรเกิดก็เกิดสั้นๆไม่เกิดยาวหรอกนะเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ตั้งยาวแต่ตอนเข้าใจเนี่ยแวบบเดียวนะเป็นปกติเป็นอย่างนั้นหละรู้สึกว่านานมากแบบว่าเออเราดิ้นมานานมากเลยนะจนวันนั้นก็แบบ อื อ, อ, อ ก, ก, ก็ตอนแรกคคิดว่าที่ผ่านมามันไม่พัฒนาหรือเปล่าแต่ว่านะเออจริงๆมันก็วันละนิดนิดหน่อยหน่นนการที่เราฝึกของเราทุกวันนาะบารมีมันเพิ่มนะบารมีมันสะสมอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ฝึกนะกิเลสมันก็สะสมเป็นอนุสัเนี่ยแต่เราภาวนาไปเรื่อยสังเกตไหมใจเรามีพลังใจเราเข้มแข็งขึ้นนะนั่นแหละใจมันมีบารมีมากขึ้น เวลาจะขําพบคขามชาติได้มารมีต้องเต็มแต่ตอนนี้ยังไม่จําเป็นหรอกสะสมไปทุกวันทุกวันคทําถูกแล้วล่วะก็อรู้สึกว่ามีบางช่วงที่รู้สึกว่ากิเลสมันเกินจริงไปบ้างะคะา่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าบางช่วงกิเลสมันเหมือนมันเกินจริงไปอย่างเงี้ยค่ะมันมันเยอะกว่าเหมนเรารู้ว่าเออเราปกตินิสัยประมาณนี้ะนะ แต่ว่าเออบางช่วงก็บางทีมนันมันบิ้วเหรอนะมันมันมันมันมันบิ้วมาจากข้างนอกได้ออืมันพวกที่มันมีพลังจิตมันแกล้งได้ส่งปราค้ามาก็ได้ส่งโทสะมาก็ได้ส่งความฟุ้งซ่านมาก็ได้เพราะเราไม่ได้เอาไม่ใช่เกดกิเลสนะไม่ใช่เอากุศลนะค<อ>่ะงั้นไม่ว่ากิเลสเนี่ยจะมาจากภายในหรือมาจากภายนอกเนี่ยไม่สําคัญค่ะ สำคัญที่เรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่าค่ะงั้นไม่ต้องไปตกใจว่ากิเลสแรงผิดปกติอย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละส่วนในใจเนี่ยถ้ากิเลสมันถูกบิ้วจนรุนแรงก็รู้ว่ามันแรงใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจกลัวรู้ว่ากลัวดูเข้ามาตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ใจเป็นกลางนะพลังแปลกปลอมทั้งหลายจะหายไปหมดเลยค่ะเพราใจเป็นกลางเมื่อไหร่สมาธิจะเกิด สมาธิจะเกิดเนี่ยพลังชั่วร้ายไม่เข้ามาไม่ถึงคือบางทีสู้ไม่ไหวอะค่ะหลวงพอ่อสู้ไม่ไหวคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ต่อสู้มายากลำบากมาต้องสู้กับมารตั้งกองทัพเราสู้กับมารตัวเดียวเองนะเราก็ต้องสู้ได้สิฝึกของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็เข้มแข็งขึ้นค่ะนะ งั้นถ้ามานันมันมายั่วให้กิเลสเรารุนแรงใจเรากลัวหรือว่ากลั ว, ล ว, ลวใจเราโกรธรือว่าโกรธพอรู้แล้วใจก็เป็นกลางใจเป็นกลางแล้วพลังแปลกปลอมเท่าไหลายจะหายไปเข้ามาไม่ถึงไม่ต้องกลัวมันเกิดได้มันก็ดับได้มันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอย่างความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะถ้าย้อนกลับไปแต่ภาวนาแรกๆสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ ไม่ไม่ชอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เออไม่เป็นไรมาก็ดูค่อยๆฝึกไปค่ะจนใจเป็นกลางต่อทุกข์ค่ ะ, <น>ะตรงนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้ท่านไม่ได้บอกว่าทุกข์ให้ล ะ, ะนี่พอเราไปรู้เราเกลียดเราไม่เป็นกลางเราอยากล ะ, ะ, ะท่านบอกให้ละความอยากซ ะ, ะให้ละสมุทัยงั้นเรารู้ทันไปใจเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางสุดท้ายก็จะเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะ เริ่มรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราฝึกมาถึงตรงนี้จะเห็นนะร่างกายไม่ใช่เรา แ, แต่ใจยังเป็นเราอยู่ ใ, ใ, ใจเป็นเรามันเป็นตอนไหนมันเป็นตอนคิดเวลาที่เราคิดเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยมันจะซ่อนอยู่หลังความคิดความคิดมันผุดอยู่นี่ตัวเรามันจะซ่อนอย่างนี้เป็นเงาที่ซ่อนอยู่นะถ้าได้โสดาแล้วตัวนี้จะไม่มีนะใครฝึกเอาหนูภาวนานได้ดีขึ้นเยอะแล้ว<อ>ไม่ต้องกลัว ที่มานมันแกล้งนะพอเราภานาเก่งนะถ้าเราพานาไม่ดีมานไม่ยุ่งกับเราคือบางทีแบบรู้ว่าเออหมือนพอมันแบบอยู่ๆก็โกรธมากเงี้ยหลวงพ่อจนแบบบางทีก็เออพูดอะไรไม่ดีกับคนเอาแค่ว่าอย่าผิดศีลห้าพูดไม่ดีเนะี้ยผิดศีลห้าใช่ใช่รู้สึกผิดอีกอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแบบรู้สึกผิดให้รู้ลงไปว่าใจ guilty แล้วนะเออไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยเป็นโทษ ะ, ะ, ะอีกตัวหนึ่งที่เกิดซ้อนขึ้นมาให้รู้ลงไป มีโทรศัพท์ซ้อนเข้ามาแล้วอย่าให้โกรธตัวเองทาวง่อตอบวเลยค่ะรกันครับหลวงพาอส่งกันบ้านครั้งแรกห้าปีที่แล้วครับแล้วก็ทํามาเรื่อยครับแล้วก็ที่แน่ใจก็คือว่าตัวเองดีขึ้นจิตใจพัฒนาขึ้นแต่ว่าที่ไม่แน่ใจมีหลายอย่างก็ทำเข้าใจเองว่าตัวเองอยู่ในขั้น ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็รู้ว่าไม่แน่ใจครับก็รู้อยู่ก็แค่นั้นเก็เลยต้องให้หลงวงพ่อตรวจจะตีกลั ว, วจะเนินชาทำถูกแล้วละทำถูกแล้วสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะครับเนี่ที่หลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อมีพยานเพียบเลยไหมที่เขาส่งคนบ้านนะเขาบอกว่าใจเขาเปลี่ยนเท่านั้นเลยแต่เดิมใจดีเดี๋ยวนี้ใจร้ายอันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนในทางที่ดีเปลี่ยนทางดีนะไม่ใช่เปลี่ยนแย่ลงนะแต่ละคนนะ ดูหน้าแล้วรู้สึกไหมหน้าเรายังเปลี่ยนเลยดูออกไ้ยมันเ ด, ดินสว่า ง, างมันแจม่มใสมันสว่างมันเบิกบาน ค, ค, คนทั่วทั่วไปหน้าตาหน้าสงสารเราภาวนาหน้านสว่างสวัยสบายปโยยยปรคล้ายๆเสร็จทำถูกละขอบคุณครับแล้วก็ผมยังไม่ขึ้นปัญญาศิกขาใช่ไหมครับผมเข้าใจผมเองว่ายังขึ้นแล้วละ่ะ คือแต่ว่าปัญญาไม่เดินตลอดเวลานะไม่มีใครเดินปัญญาตลอดมันจ ะ, จะเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมารู้รูปนามตรงที่รู้รูปนามเนี่ยเป็นสมถะนะแล้วตรงที่เห็นไตรลักษณ์่ะเห็นเป็นคลาวๆก็เป็นวิปัสสนาขอบคุณครับหลพอภาวนานได้ดีอยู่กลับนะมสาสัการหลวงพ่อค่ะ ร, รู้สึกตื่นเต้นเออต่<ห>นเต้ น, <ห>น <ๆ S 2> ข้างในค่นะดือั ทำไมต้องตื่นเต้นห้ามไม่ได้ดูออกไหมเห็นค่ะทำไมอึดอัดเพราะเข้าไปแทรกแซงค่ะงั้นสภาวะเกิดขึ้นนะไม่เป็นไรปัญหาอยู่ที่การเข้าไปแทรกแซงค่นะงั้นใจเราไม่เป็นกลางต่อสภาวะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางดูเข้าไปที่ตรงที่ไม่เป็นกลางนี้เลยค่ยนะเอาความมา ก็เอฟังยังตื่นเต้นอยู่ฟังหลวงพ่อจาก y o u ยูทูบค่ะมาประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วก็ปฏิบัติมาค่ะก็เห็นความฟุ้งซ่านแล้วก็ความเพียมั่นถึงมันแล้วก็เห็นอีกว่าความเพดมั่นถึงมันมันก็ไม่เที่ยงอืเห็นทุกอย่างมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีบางช่วงที่ตามตามดูแล้วก็เหนื่อยก็เลยช่วงนี้ก็เลนื่อยก็ทําสมถะใช่ค่ะกลับมาฝึก ตั้งใจกลับมาฝึกธรรมะสมถะสมถะทำไม่ได้ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรแค่วหาพระสวดมนต์คิดถึงพุทธเจ้าเรื่อยๆ<ะ>ก็ได้สมถะแล้วถูกแล้วทำอีกเน<ะ>ี่ยนานวันไปนะตอนหลวงพ่อสอนแรกๆนะคนรู้สึก ง, งงสอนอะไรว่าพระองค์นี้พูดอะไรฟังยากทำไมไม่สอนเหมือนพระอื่นๆบางคนว่าหลวงพ่อสอนผิดด้วยซ้ำไป มาถึงวันนี้หลวงพ่อมีพยานเพียบเลยคนที่ชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปเนี่นับจํานวนไม่ถ้วนเราก็รู้เลยว่าศีลเราดีขึ้นสมาธิเราดีขึ้นเราเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามได้หลวงตามมหาบัวพูดถึงขนาด น, นั้นแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกธาตุชันใจคํานี้แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยกับเรานะว่าเตือนปัญญาทสอนอย่างนี้นะพวกเราทําได้เพียบเลยตอนนี้ นานๆไปนะต่ไปธรรมะมันจะรุ่งเรืองนะเพราะเราปฏิบัติจนกระทั่งใจเราเข้าถึงธรรมะกันได้ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่รู้วิธีแล้วก็ทำให้สมควรแก่ทาปฏิบัติไม่หยุดเท่านั้นเลเอาว่า ม, มากรรมธรรมสกานของพ่อนะคะหนูดีใจมากๆใจเต้นเร็วเลยเห็นใจที่ฟุ้งซ่านไหม <c oughs> หนูเป็นคนชี่ฟุ้งซ่านไหม น, นะดังนั้นพื้นเดิมของหนูชีฟุง้งซ่านเพราะฉะนั้นหนูต้องมีกรรมฐานไป็เครื่องอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อให้สงบอยู่ไปเรื่อยๆพุทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตฟุ้งซ่านต่อไปมันจะฟุง้งซ่านสั้นลงสั้นลงสั้นลงสมาธิมันจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าที่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้สมาธิดีขึ้นบ้างแล้วรู้สึกไหมสมาธิเราเปลี่ยน ดีขึ้นกว่าเก่าค่อยๆฝึกแล้วสังเกตไว้ขันมันแยกได้ดูออกใช่ไหมนั่นแหละดีไปฝึกอีกหลวงพ่อค่ะคือปลายปีที่แล้วนี้ลองเนั่งปฏิบัติธรรมอยู่อะค่ะแล้วอูเห็นแบบความทุกข์ใจมันผุดขึ้นมาแล้วมันมารวมกันตรงกลางอกนั่นแหละมันขึ้นมากลางอกแล้วมันมันเหมือนมันจะระเบิดให้เห็นเนี่ยเออไม่ระเบิดหรอกแต่ว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นนิมิตหรือเปล่าค่ะไม่เป็นหรอก ไปดูนะหลงตามหาบัวนะบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนะกุศลก็ฝุดขึ้นกลางอกอกุศลก็ปุดขึ้นกลางอกมรรคผลก็เกิดขึ้นตรงกลางอกเลยนะแหวกออกจากตรงนี้เลยเขียนไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเองขึ้นมาแล้วก็ดับทั้งสิ้นดูออกไหมหน้าที่เราก็มีแค่เรียนรู้ไตรรับไปเราเห็นสภาวะธรรมผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับ เห็นไปเรื่อยๆพอใจฟุ้งซ่านเราก็ทําความสงบทําสมถะไหว้พระสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปพอมีแรงแล้วกลับไปดูใหม่นะไปฝึกข้าวไปแล้วช่วงที่ผ่านมาสองสมอาทิตย์นี้ค่ะลองดูบางทีแบบคิดเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วความทุกเห็นความทุกข์มันผุดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมันก็สลายไปนี่คือคุณก็ไม่ได้คิดเองก็ดูไปตู้อย่างเกิดระดับ เกิดไม่ความทุกขก็เกิดเองอาศัยสัญญาจําเรื่องราวเก่าๆก็ปรุงสังขารปรุงความทุกข์แล้วก็ปรงโทสะนะสังขารปรุงโทสะขึ้นมาใจปรุง เ, เ, เรียกอะไรเบทนาความทุกข์ก็ผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงขึ้นมานอาศัยสัญญาไปดูสบายๆไม่ยาก อยาขออนุโมทนาสาธุหลวงพอ่อค่ะขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะหลวงพอ่อขออะไรนะขออนุโมทนาสาธุอ๋อได้ยินขออะไรก็ฟังไม่ออกอ๋ขอค่ะกลาขอคุณมากเนื้อจะขอบวชชีน้มสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้ติดฟังธรรมะของหลวงพอ่อทุกเช้าอย่าติดหนะ้าฟังแล้วมีความสุขหรือว่ามีความสุข วันไหนไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดต้องไม่ติดอะไรสัอย่างนะงั้นเราค่อยรู้ทันใจมันอยากรู้ว่าอยากรู้รู้สักก่อนแล้วค่อยฟังแล้วก็ก็รู้ตัวว่าหลงทั้งวันเลยเแต่ก็หลงรู้ตัวว่าหลงบ่อยๆไม่ใช่ล <ง S 1> หลงทียาวอะนั่นแหละเพราะนานเก่งๆจะหลงบ่อยพรานาไม่เป็นหลงเวลาครั้ง ลงตั้งแต่ตื่นจนหลับอวันละครั้งเดียวพอมันเริ่มรู้ตัวก็รู้สึกว่าเออเราปฏิบัติแล้วมันไม่ค่อยไปไหนจะไปไหนล่ะ <c oughs> แบบว่าอยาก <c oughs> อยากอะค่ะนี่พาอยากอยากเห็นไมคำตอบอยู่ตรงนั้น <c oughs> ใจมันอยากให้รู้ทันใจที่อยากแล้วรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นไปแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งเนี่ยถ้าเรานั่งคือถ้าไม่ถ้าบางทีมันมันไม่รี รู้ตัวได้ทั้งวันนะคะอยู่กับ ง, งานอยู่กับอะไรเวล า, าทำงานที่ต้องคิดไม่ต้องรู้ตัวค่ะให้รู้งานแต่ว่าพอกิเลสแทรกเข้ามาก็ค่อยรู้ทันใจของเรามันรู้ตลอดเวลาไม่ได้จิตมันรู้วรมได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปจดจ่อกับงานมันจะมารู้รูปนามไม่ได้เป็นเรื่องปกติแล้วในขณะอย่างวันนี้อยากที่จะมาฟังหลวงพ่อมากแต่ช่วงที่เมื่อ ตอนที่หลวงพ่อเทศมันก็มีความง่วงมากๆเลยค่ะทั้งที่แบบพร เ, เวลาเทศอ่ะนิมนเทศบ่ายโมงอ่ะมันเวลานอนหลับอ่ะมันเป็นช่วงที่อาหารเป็นพิษเป็นทุกคนแหละวันนี้ไม่ไม่ทานอาหารกลางวันค่ะเพราะกลัวจะง่วง<อ>มันก็ยังยังง่วงอีกอ่ะบรรยากาศมันให้มัง้งเยน็ยนเย็นซึมซึมแล้วอย่างเวลาก่อนนอนก็สวดมน เดี๋ยวนี้ไม่สวดยาวๆแล้วค่ะก็สวดสั้นๆอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะปฏิบัติก่อนนอนเนี่ยจะทําอะไรได้ต้องปฏิบัติก่อนง่วงนะค่ะค่ะนะถ้าประเภทง่วงสมสารเต็มทีแล้วไปปฏิบัติไม่ได้กินหรอกค่ะนะต้องทําให้สม่ําเสมอนะถ้าก่อนนอนทําไม่ได้ก็ทําตั้งแต่ตื่นนอนตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงแล้วมาปฏิบัติตางวันกินข้าวเสร็จแล้วก็ปฏิบัตินะ ทำได้ตลอดแล้วเก็บเล็กเก็บน้อย ใ, ในชีวิตประจํำบวบันเนี้เก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วตอนค่ำ ม, มันจะภาวนา ง, ง่ายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติมากพอคะ่ะไม่พอหรอกถ้ามากพอนะกิเลสมันก็ไม่มีสิยังไม่พอหรอกนะอย่าพวงแม้ยังไม่ทันไรเลยกลัวจะปฏิบัติมากพอคือคือคิดว่าปฏิบัติน้อยเกินไปอ่ะคะ่ะอ๋อแค่ไหนจะพอ <c oughs> ใช่ไหม ทำเท่าที่ทําได้ทำมากมากสม่ําเสมอได้แค่ไหนแค่นั้นเรามีเวลาที่จะปฏิบัติเหลือเฟือเลยนะวัาตตนิยาวโลกุเทศเคสอนหลวงพ่อแล้วว่าถ้ายังมีกิเลสก็ยังมีเวลาอยู่อีกแต่ว่าถ้าเราอยากพลุนตู้เร็วๆกว็ขยันหน่อยแต่ว่าอย่าวางว่าเราทำได้ยีิบสี่ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะคือเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแบ่งเวลาไปนอนส่วนหนึ่งใช่ไหม เวลาทำงานอีกส่วนหนึ่งเวลาที่เหลือเราค่อยปฏิบัติจิตออกนอกไหมไม่อยากดูอิ ม, <c oughs> อมาณิมะยังพันเตจตุปัจจะยาทีนี้สปริวารานิพิขุสังคสะโอโนชายามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอีมาีิ จตูปัจจญาทีนี้สัปปริวารานี้ปติคำหาตุอัมหากังทีคาระตังอิตายะสุขายะถ้าแต่พระภิกษุผงชุตเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องธัยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องทัยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินเหยดถ า, าวาริวหาปูราปิริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังชิปะเมวาสมิจจตุสัพเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถา สัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินั ส, สตุมาเตพวัตวันปราโยสุขีที่คาโยปภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวันตีอายุวนโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทางทีมผู้จัดเลยนะบัญชีเข้ามาเดี๋ยวนี้หลงเลยในจุลานะ หลวงพอ่อจบจากนี่ไปสี่สกว่าปีแล้วเข้ามาแล้วงงเลย